หลวงพ่อก็ไปวัดหลวงปู่แผงท่านมรณะภาพมาเป็นวันที่เจ็ดเมื่อวานนี่ยบำเพ็ญสัตมวานก็นิมนพระสงฆ์มามากอยู่มาทำบุญครบเจ็ดวันแต่ก็ยังไม่มีกำหนดว่าจะ ขอพระราชทานเพลิงวันไหนเพราะท่านเป็นพระครูเป็นพระเถระผู้ใหญ่ด้วยก็คงจะขอพระราชทานตามประเพณีก็ยังไม่มีกาหนดว่าจะเป็นวันไหนก็คงจะทำบุญไปเรื่อยๆต่อไปก็คงจะห้าสิบวันร้อยวันในระหว่างน้นก็คงจะบาเพ็ญไปจดทายายมผู้ใดไปจอง เป็นเจ้าภาพก็คงจะทำบุญไปเรื่อยๆแต่จุดหมายปลายทางเขาทำถามดูแล้วก็คงจะจะให้โบสถ์ที่ท่านสร้างเน่เสร็จสมบูรณ์แต่นี่กระวนจะเสร็จแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่เสร็จดีก็คิดว่าถ้าหากว่าเก็บสิริละของท่านไว้ในช่วงระยะหนึ่งคงไม่นานเมื่อโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะ ประชุมเพลิงหรือพระราชทานเพลิงฉลองโบสถ์พร้อมกันไปเลยแต่มันเจ็บจบในคราวเดียวไปเลยแต่ไม่ได้เป็นอสองขยักงานนี้ก็คือฝ่ายพระสงค์ที่ท่านพูดคุยกันเมื่อวานนี่แหละครูบาอาจารย์ก็โรงโงรยไปตามอายุสังขารอายุของท่านก็เจ็ดสิบเจ็ดปีหลวงปูแผงเป็นพระเถระผู้ใหญ่ ในเขตอำเภอนามโสมอำเภอนายูงมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษามากที่สุดอายุ77ปีพรรษาห้าสิบกว่าก็ท่านคงจะบวชแต่น้อยตนุ่มเหมือนกันนะไม่ว่าครูบาอาจารย์ระดับไหนญาติโยมระดับไหนสูงต่ำขนาดไหนยาจกาในพกคนขอทาน เจ้าฟ้ามาหาราชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีใครที่จะยกเว้นได้เรื่องมรณะภัยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระหัตทสาวกท่านจึงเสี่ยมสอนพุทธบริษัทของพระ อ, องค์ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ในชีวิตของพวกเราอย่าได้พลาดท่าเสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพวกเราต้องกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลที่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีเหตุมีผลอย่างไรมีใช่ว่าเรา เอาทิฏฐิและเอาความเห็นของตนเองเข้ามากลางกั้นแล้วก็ปิดบังตัวเองปิดกั้นความคิดของตัวเองไปในทางมิจฉาทิฏฐิใจของเราเนี่ยจะให้น้อมไปทางไหนมันได้ทั้งนั้นดูๆซิบางทีมันเราจะไม่โกรธให้แก่เขาบางทีเขามาแย่น้อยเดียว ความโกรธมันออกไปทั้งรุ่นเลยความโลภก็เหมือนกันลาราคะก็เหมือนกันโทสะเหมือนกันโมหะมันออกไปได้ทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีสิ่งที่เรารู้ว่านี่แหละมันไม่ดีแต่มันก็เบรกไม่อยู่มันห้ามไม่อยู่เพราะว่าสิ่งผักดันในจิตใจของเรามันมี กิเลสเพราะนั้นบางครั้งมันอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายบางทีก็สัมมาทิฏฐิได้ง่ายแต่ตามให้จริงสัมมาทิฏฐิได้ก็ดีแต่โดยมากมันจะชอบไหลไปทางต่ําอย่างที่ว่านะใจของเราชอบไหลไปทางต่ําทางไหนเป็นทางต่ํามันจะชอบไหลไปทางนั้นไปทางต่ําก็คือกิเลสโลภโลภโกรธหลงนะั่นแหละนั่นก็คือไหลไปทางต่ํา ที่จะฝืนโลภโกรธหลงฝืนราคะโทสะโมหะอันนั้นแปลว่าเพกผันขึ้นที่สูงมันยากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงท้อพระไทยในที่จะประกาศพระสัทธรรมในเมื่อพระองค์ได้ตัดสรู้วันแรกพอได้ตัดสรู้เสร็จรู้แจ้งเห็นจริงในพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ ได้ตัดสรุที่โครนต้นโพพอตัดสรุเสร็จแล้วท่านก็ลำพึงโอ้ทำที่เราได้รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยเราจะไปสอนโลกเนี่ยโลกเขาจะยอมรับหรือเพราะทาที่เราได้เนี่ยมันทวนกระแสะโลกโลกเขาไปทางหนึ่งแต่ธรรมะของเราเนี่ มันไปอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเราไปสอนเขาเขาจะฟังเล่จะไม่เหนื่อยเปล่าเล่นี่คือพระองค์ทอพระไทยในที่จะประกาศพระทธรรมในวันได้ตัดสรู้ใหม่พระองค์ก็ลำพึงจนถึงพรมได้มากราบอาราธนาผมมาจะโลกาพระองค์ก็ได้ย้อน ทบทวนเพระองค์พระองค์เป็นใครพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ความรู้นี่ก็เป็นความรู้ที่มนุษย์ถ้าผู้มีปัญญาผู้ใช้ศรัทธาคือปัญญามีขันติมีความเพียรก็พอที่จะรู้ได้แต่ถ้าว่ามีกิเลสทั้งรุ่นเข้ามาแล้ว คงจะหันหลังให้ไม่เชื่อแต่ถ้าว่าใช้สติใช้ปัญญาใช้ความภาคเพียรเชื่อไว้ก่อนว่าเป็นจริงไหมอาจจะมีช่องทางที่จะได้รู้ได้เห็นในธรรมคำสอนที่เรารู้เราเห็นเพราะเราเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็ได้ไฟ เรื่องว่าสนใจและตั้งใจเราก็ได้ตัดสู้ ร, รมในเมื่อเราได้ตัดสู้ทรรมแล้วเราเอาความตัดสู้ของเราเนี่ยไปบอกกล่าวให้แก่พุทธบริษัทเขาจะไม่ฟังด้วยเหรอตอนนี้พระองค์ก็ทบทวนดูก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นไปได้นี่แหละพอเราเป็นผู้นำเป็นผู้แนะแนว เป็นผู้บอกกล่าวแต่ขณะเราจะท้าคตเนี่ยเป็นผู้ค้นคว้าศึกษาเองเป็นผู้ทดลองเองเป็นผู้แสวงเองเป็นผู้ทดลองเองจนประสบความสำเร็จแต่เมื่อสำเร็จแล้วเราก็บอกแนวทางวิธีการที่จะสำเร็จนั้นทํายังไงที่ได้จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะั้นทำอย่างไรคงจะ มีผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามเพราะบารมีของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันผู้ที่บำเพ็ญมายาวนานก็มีจากนั้นพระองค์จึงได้ตัดสินพระทัยเราจะไปเทศให้ใครฟังก่อนท่านจึงย้อนไปถึงไปเห็นปัญจวคีร์ทั้งห้าแต่ตามไม่จริงทีแรกก็ท่านไปไปดู ดาบททั้งสองซะก่อนดาลาร า, าบทุตกะดาบทสองหรือสีแต่ท่างก็บอกดูสีทั้งสองได้มรณภาพไปในเรยววันนี้เองไปแล้วพระองค์ก็เบนความคิดไปหาใครก็ไปถึงปไปเห็นปัญจวคีทั้งห้าโกนทัญญาวะปะพัทธิยมหานามาจเฉชิ จากนั้นพระองค์จะได้สวยวิมุตติสุขอยู่ในบริเวณต้นโพได้หลายแห่งในในละแวกนั้นจากนั้นจะได้เดินทางไปโปรดปัญจวคีรีทั้งห้าวันอาสาหะบูชาจัวจะเข้าพรรษาเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้เทศให้ปัญจวคีรีทั้งห้า ปัญจวคีทั้งห้าคด้สาเร็จมักสาเร็จผลในวันอัสสรหบูชาคือวันจวนจะเข้าพรรษานะแหลมค่ำหนึ่งก็เข้าพรรษาวันพระวันพระขึ้นสิ้าคค่ำเดือนแปดวันนั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บริบูรณ์นี่ละอันนี้สรุปแล้วก็คือทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีที่ไปที่มา มีที่ไปมีที่มาแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรนี่แหละพวกให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาพอศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติเพียงแต่ศึกษาเฉยๆเหมือนกันเราดูแผนที่เฉยๆมันก็ไม่ไปถึงไหนเพ้อเพยยังไม่เชื่อในแผนที่ต่างหากแผนที่เนี่ยโกหกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะเหตุใดเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติตามแผนที่ แต่ถ้าเราเดินตามแผนที่ตามที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ทําอย่างนี้นะจิตสงบกําหนดลมหายใจอย่างนี้นะจิตใจจะสงบเราก็พยายามทําอีกสักวันหนึ่งก็ไม่เหลือวิสัยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพระทุกองค์นะที่เขามาศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือให้จริงจังและจริงใจ ให้ตั้งมั่นการพูดคุยให้น้อยที่สุดอย่าไปพูดคุยมากถ้าพูดคุยมากมันเป็นสัญญาอารมณ์เป็นอันตรายหรือว่าเป็นแนวทางทําให้ใจของเรามีอุปสรรคถ้าสรุปแล้วก็ควร อ, อยู่ในความสงบมันดีที่สุดพยายามปีกหลีกเล่นอยู่ตามลําพังภาวนาพราะเรามาภาวนาที้เขานี่ไม่ใช่มาศึกษาอย่างอื่น มาศึกษาเรื่องจิตตภาวนาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาทางใจแล้วนะถ้าใจของเราเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์แล้วชนะทุกอย่างที่ผมได้พูดเมื่อคืนเป็นปริยาเอกเขาเรียนแต่ดอกแต่ใบมก่งการสาขาท่านเองแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยเรียนถึง รากแก้วหรือแก่นแก่นหลักของวัตะโลกทั้งหลายเนี่ยมันออกไปจากหนึ่งหนึ่งคืออะไรนับหนึ่งคืออะไรก็นับหนึ่งก็คือใจเลยละ่ะ เ, เรียนเรื่องของใจจบแล้วก็จบทุกอย่างถ้าว่าเรียนเรื่องของใจยังไม่จบมันเป็นเรียนกระแสของใจท่นเองทนกระแสะความนึกคิดความสังขารคือความปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยสังขาร จากนะ้นสัญญาเข้ามาอีกเรื่องเก่าเข้ามาอีกบวกกับสังขารคือความปรุงแต่งอีกมันก็เลยไปไม่รู้จักที่จบที่สิน้นเนีลยแต่ถ้าว่าเราเรียนว่าสังขารมันมาจากไหนสัญญามันมาจากไหนสังขารมันมาจากไหนย้อนเข้าไปหาตัวใจตัวผู้รู้จากนั้นก็เรียนตัวผู้รู้นึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้เอาสติสมาธิอยู่ที่ใจ ใจนึกคิดเรื่องอะไรใจขณะนี้มันเป็นยังไงมันมาอย่างไงมันไปอย่างไงเรื่องของใจพอเรียนรู้เรื่องของตัวเองแล้วก็จะเรียนรู้เรื่องของผู้อื่นได้ง่ายพอเรียนรู้เรื่องของตัวเองนั้คนอื่นเขาก็จะนึกคิดอย่างเนี้ยไม่เป็นอย่างอื่นเพราะใจอันเดียวกันแต่นี้เราก็เรียนรู้เขาได้ได้ง่ายอกิเลสราคะโทสะโมหะออกไปจากไหนออกไปจากใจพอเรียนใจของตนเองแล้วจบแล้วก็จบ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าพระราหานี่เรียนจบบริบูรณ์เป็นอเสขะร์อเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาถ้าต่ำจากจากพระราหานลงมาท่านว่าเป็น พ, พระเสขะเสขะร์ไปพระผู้ยังต้องศึกษาไปยังไม่จบเราะฉะนั้นจะต้องศึกษาอยู่เป็นพระเสขะเป็นพระอเศคาร์อ่ะนำหน้าอ่ะเสขะผู้ไม่ต้องศึกษา เป็นผู้จบบริบูรณ์จบทั้งทุกอย่างทั้งกดีโลกคดีธรรมจบที่ไหนไมันจบที่ใจมันไม่ใช่จบที่อื่นนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะฟังฟังไปหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้จบที่อื่นนะจบที่ใจนะหลับพรอนุโมทนาให้พร